พระธรรมเทศนาแผ่นที่99าลำดับที่21บ็โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่หนึ่งตุลาคม2559้าห้ามีชื่อเรื่องว่าเทคนิคการเตือนกันวันนี้หลวงพ่อจะให้ MP3 มแทดเทศแทนหลวงพ่อนะก็จะให้พระท่านคัดเลือกให้เหมาะสมกับผู้ที่มาศึกษาที่มาฟังพระท่านคงจะเลือกแล้วล่ะว่า อ, อ ก, กันไหนเพราะหลวงพ่อได้ พ, พูดได้บอกไว้แล้วคือบางวันหลวงพ่อก็พูดหลายเรื่องวันนี้ก็ได้พูดเมื่อเช้าตอน เช้าในกานหนึ่งแล้วกัตอนบ่ายช่วงพระปฏิโมกก็ได้ทำความพอใจกับพระอีกพอตกตอนเย็นก็มีคณะจตทธ า, ทา ญ, ญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องหลายหมู่หลายคณะวันนั้นวันนี้ตอนเย็นวันนี้ก็หลวงพ่อก็จะแนะนำบางเรื่องราวจากนั้นก็จะให้พระท่านเปิด MP3 พสามที่หลวงพ่อเทศ โอภพรมให้คณะจธาญาิโยมได้ฟังแต่หลวงพ่อก็มั่นใจที่หลวงพ่อได้พูดมาแล้วนั้นเป็นแนวทางสำหรับพวกเราอุบาสกอุบาสิก า, าจธาญาณโยมพุทธบริษัทสี่ของพระพุธทธเจ้าเพราะนั่นให้พวกเราฟังดูนะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่หนึ่ง ตุลาคมพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันพระแรม15ค่ำเดือน10และก็ออกอีกไม่นาน2วันพระก็เป็นวันออกพรรษาเป็นวันปรวรณาของพระสงฆ์แล้วก็วันที่คงจะเป็นวันที่16นะเป็นวันปรวรณา และก็วันออกพรรษาแล้วไม่นานวันที่ยี่สิบสาก็เป็นวันกระถินสา ม, มัคคีที่วัดของเราตรงกับวันปียะมาหาราชวันที่ยี่สสาเป็นวันอาทิตย์คงจะมีกระถินกระถินสา ม, มัคคีในที่วัดของเราตามไม่จริงกระถินก็ ออกพรรษาแล้วหนึ่งเดือนออกพรรษาแล้วหนึ่งเดือนแล้วก็หมดหมดเคตกะถินเพราะนั้นวันเมื่อออกพรรษาแล้วนะต่างคนก็ต่างทอดต่างวัดก็ต่างทอดโดยมากจะเร่งไปในวันเสาร์วันอาทิตย์การทอดกะถินเพื่อจะให้ญาติพี่น้องของตนเองที่เป็นข้าราชการพ่อค้า หยุดในวันอาทิตย์หยุดทำงานในวันอาทิตย์หรือวันสวันอาทิตย์กับวันหยุดราชการเพราะนั้นวันการทอดกะถินจึงชนกันชนกันแล้วก็ไม่ว่ากันเพราะมันต่างคนก็ต่างอยากจะทำวันสอวันอาทิตย์เพราะเราต่างคนก็ต่างมีญาติติโกโหติาที่เป็นขรรชการเพราะนั้นวัดกองเราก็ อย่างนั้นเหมือนกันคิดว่าคนคงมาไม่มากเหมือนกับวันเกิดของหลวงพ่อนะวันเกิดหลวงพ่อนะเป็นวันที่ไม่ชนกับใครเพราะนั้นคนทุกปีที่ผ่านมากมีคนมากแต่กนะถิ่ น, นก็คงจะไม่มากเท่าไรหรอกก็ไม่เป็นไรให้มันผ่านผ่านไปเท่านั้นแหละคณะสัาาทาาธาญาติโยมเราไม่ได้มุ่งหวังอะไรเพียงแต่ให้มันผ่านไปปีหนึ่ง ถามว่าเราไม่ทอดกระทินในวัดของเราเบางบางวัดกรุบายอาจารย์ท่านก็ปฏิเสธไม่รับกระถินแต่ทาไมรับนะหลวงตามหาบัวท่านหลวงพ่ออยู่กับท่าน เ, เป็นเวลาสิบกว่าปีท่านก็ไม่เคยปฏิเสธท่านบอกโอ้ไม่รับมันยุ่งเหยิงพุ่นไีกต่างหากทำไมหลวงตาไม่รับกระถินทำไมเพราะอะไรเกาชี้เกียรตอบ รับเพรามันจบจบไปซะเพื่อให้มันผ่านผ่านไปเพราเป็นประเพณีของเขาปีหนึ่งก็ต้องมีการทอดกรถินแต่ละวัดถ้าเราไม่รับเดีย๋ยวาคนมาถามอีกขี้เกียจตอบหลายเรื่องให้มันผ่านไปอันนี้คือหลวงตาอที่ท่า น, น, นท่านก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไรไม่ได้มุ่งหวังอติเลกาลาบอะไรเพียงแต่ให้มันมันผ่า น, ผ, านผ่านไปเท่านั้นแหละ วัดของเราคัรักศาสนาคณะคณาจารยาญาติโยมพอวันที่ยี่บสามก็ช่วยๆกันดูแหกคนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างพวกเราเคยทําเคยผ่านมาทุกปีนั่นแหละแล้วก็วันออกพรรษาวันที่สิบหกเป็นวันปรณาพระสงฆ์พระสงฆ์จะจําพรรษาที่วัดของเราปีนี้ก็สี่สิบห้าโรคที่จาพรรษา หมดมันเป็น46ทีแรก46โรคแต่องค์หนึ่งเรามีภาระการประชุมไปรับเป็นขาราชการเป็นครูเอานัดประชุมกลางพรรษาล้วก็ไดลาศิขาไปตามเครื่องราวที่จำเป็นแต่ยังเหลืออยู่45พราะทั้ง45โรคเนี่ยนะ วันออกพรรษาจะได้ประวรณากันประวรณาออกพรรษาพวกคณะสัตายายมผู้ที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาไม่ได้ศึกษาหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเข้าใจาเอ๊ปะปวรณาเนี่คืออะไรเรียกว่าประวรณาคํานี้ก็พูด ง, ง่ายง่ายปรวรณาต้นน อ, ออกพรรษาในหลักของพุทธศาสนานมันไ ม, ไม่ได้ว่าอยู่ผู้ใด ไม่ว่าผู้น้อยไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทําไม่ถูกต้องก็มีคิดไม่ถูกทําไม่ถูกพูดไม่ถูกก็มีผู้ใหญ่น ะ, เ, ะเพราะตัวเองไม่รู้ว่ามันผิดมันถูกคืออะไรแต่เกิดมาใหญ่จริงอยู่แต่ไม่ใช่ว่าจะรู้ทุกอย่างแล้วก็ผู้น้อยก็เหมือนกันผู้น้อยที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาจะรู้ทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าควรจะปะระเวณาต่อกันถ้าว่าไข่เห็นการกระทําการคิดการการคิดคื อ, ค, อคิดเป็นมิจฉาทิฏฐนะิเนี่ยทําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วอย่างเนี้แหละหมูพกเพื่อนก็อองค์นี้ครูบาอาจารย์เนี่ยเข้าใจผิดจะแล้วนะเนี่ยมรรคผลนิพพานไม่มีออย่างนี้แหละลูกศิษย์ลูกหาก็จะได้ช่วยกันบอกว่าไม่ใช่นะถ้าผู้ปฏิบัติ จริงจังก็ย่อมรู้จึงเห็นจริงได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือความเห็นผิดแล้วก ก, การทำผิดจะมีมากมายผิดวินัยนะแล้วก ก, การพูดผิดอีกก็มีอีกมากมายอีกเหมือนกันเพราะนั้นท่านจะให้มีปวารณานะออกพรรษานะปวาราณาพร้อมกันประชุมกันเสร็จแล้วก็ตั้งนโมพร้อมกันพอตั้งนโมพร้อมกันเสร็จแล้ว พระผู้ใหญ่อย่างหลวงพ่อที่เป็นประธานเนี่ยสร้งคำอวุโสปวารีมิติเทนาวาสุเตนาวารปริสังกายาวาวันตุมังอายจะสมันตัวอนุกรัรมปังอุป า, ายปะปัันตวปฏิกริสามิพูดถึงสามครั้งความแปลและความหมายคืว่าพวกท่านทั้งหลายเห็นการกระทําของผมด้วยกายก็ดีด้วยวาจาดีด้วยใจก็ดี ไม่ไปตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นการกระทำของไปมันผิดแปลกแตกต่างไม่ไปตามกฎระเบียบไม่ไปตามธรรมคำสอนผมขอป ร, รณนาปะวรณาในสง์ขอให้สงทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนผมได้ผมยินดีรับฟังและปฏิบัติตามตามหลักธรรมคำสอนที่เห็นว่ามีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรมนั้น ปอยั่งเกิพูดพดสามครั้งแล้วจะจบก็นั่งลงองค์ที่สองก็พูดขึ้นมาเอกสั้างคำปันเตอีกองที่สามก็พูดขึ้นมาเอกจนถึงองค์สุดท้ายนะอันนี้แปลว่าปวารณาในสง เ, ออเมื่อสงเห็นว่าองค์ใดก็ตามจู ด, ด้วยกันต้องว่ากล่าวตักเตือนกันได้ในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องในสิ่งที่มันไม่เป็นธรรม ในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมวินัยมันผิดกฎกติกากฎหลักธรรมวินัยนี่แหละอันนี้คือพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ท่านให้ภารณากันในวันภาวนาออกพรรษาเนี่ยวันพระหน้าไม่ใช่หน้าเนี่ยวันพระสิบห้าค่ำวันพระหน้าในีแปดค่าวันพระหน้าอีกสิบห้าค่ำสิบห้าค่ำเป็นวันภารณาเันออกพรรษา เนเธอหลวงพ่อว่าท่าว่าคณะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าครอบครัวใดก็ตามหรือคณะสวนราชการใดก็ตามที่อยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะถ้าว่ามีการปรวราณาต่อกันให้ภารณาให้ผู้น้อยตักเตือนผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ใหญ่ก็ตักเตือนผู้น้อยการอยู่ด้วยกันแต่ตักเตือนโดยธรรมนะ เออไม่ใช่หรอใช้อำนาจวาสนาผู้น้อยตักเตือนผู้ใหญ่ในพระวินัยท่านบอกว่าผู้น้อยตักเตือนผู้ใหญ่ต้องมีกุสโลบายต้องมีเทคนิคแต่ผู้ใหญ่ตักเตือนผู้น้อยนะพูดตรงๆงได้แต่ผู้ใหญ่ถ้าผู้น้อยตักเตือนผู้ใหญ่นั้นถ้าแสดงอากับกิริยาแสดงไม่เคารพปรับอวามบัดทุกก์ปรับโทษอย่างนั้นไปอีกนะ ทำไมจึงให้ปรับโทษเพราะว่าเอ้ยท่านอาจารย์ทำอย่างนั้นไม่ถูกนะอันนี้คือขาดความเคารพถ้าว่าจะเตือนเตือนท่านอาจารย์เราท่านอาจารย์ครับเอ้อจุดนั้นจุดที่ผมได้ฟังได้ศึกษาในพระวินยัยแล้วเนี่ยมันไม่ไม่น่าจะถนะูกหน้าท่านอาจารย์หรือมันเป็นยังไงไอ้คร้ายบอกปรึกษาหารือ เพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านได้ผ่านการศึกษามาแล้วท่านก็จะสํานึกได้ใชา่มันผิดจุดนั้นจริงๆนะใช่ใช่ใชที่ท่านพูดถู ก, ถกละอเดี๋ยวผมจะได้สํารวมระวังต่อไปอันนี้คือวิธีการเตือนผู้ใหญ่นะเมื่อเราเตือนพ่อแม่ของเราก็เหมือนกันเราจะกโมงสฉงเฉียงบรนดาเด็กก็ไม่ได้อเราก็ต้องเตือนว่าคุณพ่อคุณแม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้จะถูกหนะผมว่านะ ได้ยิงเขาว่าดจากนั้นอย่างนี้นะอย่างนี้ใครๆบอกเป็นเตือ น, น, นเตือนผู้สูงอายุเตือนผู้แก่เตือนพ่อแม่ต้องมีเทคนิคในการเตือนอนนี้นก็คือพระวินัยของพระพุทธเจ้าท่านบอกหมดนะเป็นการเรื่องละเอียดอ่อนนะการว่าก่าวตักเตือนนะถ้าว่าเราเตือนแบบไม่ให้ความเคารพเนี่ยเสียความรู้สึกผู้สูงอายุพ่อแม่ของเราเพราะนั้นเรื่องพระวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องเรื่อง เรื่องละเอียดอ่อนน ะ, ะกนัตทายาดโยมลูกหลานนี่แหละคือว่าคําปวารณาคํานี่เนะี่ยคือค่าคล้ายๆว่าให้ต่อให้คนอื่นอว่ากล่าวตเตือนเราได้เหมือนกับผงธูรีเข้าตาของเราเนะี่ยมันจู่เข้าตาแต่แท้ทำไมออกไม่ได้แล้วอยู่ตาตัวเองนะอยู่ใกล้ๆลู ก, กตานะไม่เห็นเลยนะมันไม่เห็นพราะมันอยู่ใกล้เกินไปมันจะต้องเอาให้คนอื่นเอาออกให้นี้ก็เหมือนกันนะ ความผิดบางอย่างเรามองไม่เห็นเพราะมันใกล้เกินไปาบางทีมันเคยชินมันเคยชินมันเคยจดเป็นนิสัยมาแล้วการพูดการแสดงออกอากับกริยาแต่มันไม่ถูกการเทศะการสถานที่บุคคลดังนั้นเขาผู้น้อยเขาจะต้องเตือนบอกกล่าวเราก็ต้องฟังเพราะเราไม่ใช่ว่าจะรู้หมดทุกสิงทุกอย่างไม่ใช่ แอบางทิ้งบางอย่างแล้วก็ขาดตกบกพร่องเหมือนกันแต่ละคนแต่ละท่านนะเพราะฉะนั้นให้สัมรวมระวังนเนี่ยอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ด้วยกันแล้วพระวินัยของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราขา้าราทกาญาติโยมก็เหมือนกันนั่นแหละอยู่ในสํานักงานอยู่ในครอบครัวก็เหมือนกันถ้าเป็นไปได้พ่อแม่ประชุมทานอาหารร่วมกันกับลูกแล้วกั น, นะอพ่อบ้านเออ ภาวนานะในครอบครัวแม่บ้านนะลูกนะถ้าเห็นพ่อทำมากับกิริยาอย่างไรไม่ถูกต้องก็ขอให้ลูกบอกพ่อด้วยนะบางริงบางอย่างพ่ออาจจะทำเกินไปทางแม่บ้านก็เหมือนกันพอให้พอบานก็ดีแม่ลูกก็ดีเห็นแม่ทำอะไรทำไม่ถูกต้องกับอกแม่ได้นะลูกนะพอบานนะลูกก็เหมือนกัน คุณพ่อคุณแม่เห็นพวกหนูทําอะไรผมทําอะไรไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมก็บอกกล่าวผมได้ผมยินดีแล้วฝังนะคุณพ่อคุณแม่นะเออจะได้ถ้าว่าพวกเรามีการประเวณาต่อกันตรวงพ่อว่ามันก็เป็นผลดีเหมือนกันนะในการดูด้วยกันนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุธทธเจ้าเออท่านวางไว้เป็นกลางๆบนวางไว้ให้ทุกคน เป็นผู้ปฏิบัติอันนี้เราว่าหลักพระธรรมวินัยกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันกาลเทศะการจัดฐานที่บุคคลการอยู่ด้วยกันให้วางตัวให้ถูกต้องวางตัวให้เป็นธรรมอันนี้ก็คือการอยู่เร ว, ว่าจัดเป็นหมวดศินศินคือสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศินแต่เรื่องแนวความคิดเกี่องสมาธิ ศรัทธาญาติโยมที่มาสู่วัดตลงพ่อวันนี้ก็มีลหลายๆท่านอาจจะเรียนรู้ต่างสำนักต่างครูบาอาจารย์พอมาหลายหลายคนหลายสถานที่หนะลวงพ่อทราบมากรือมาจากพี่น้องศรัทธาญาติโยมมาจากจังหวัดขอนแก่นมาทั้งหลายคนแต่ตามไม่จริงพวกเราคนได้รับการศึกษาด้วยกันทั้งหมด่ะ ที่มาผ่านมาถึงขนาดนี้หลวงพ่อก็มั่นใจว่าการศึกษาของพวกเราเนี่ยนะต้องได้ผ่านครูบาอาจารย์ในภาคปฏิบัติจิตภาวนาหรือรักษาศีลให้ทานมาแล้วแต่ถึงยังไงมาถึงจุดนี้มาถึงวัดของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเองก็อยากจะชี้แจงชี้นําให้พวกเราได้ศึกษาอีกแนวแขนงหนึ่งและวิธีการปฏิบัติกับตนเอง อีกแนวหนึ่งแต่ก็เป็นแนวแถวสายหลวงปู่มั่นแต่พวกเราอาจจะศึกษามาสายอื่นมันมีหลายสายแล้วเกินอย่างหลวงพ่อไปอินโดนีเซียเมื่อคราวที่แล้วน้องโหนับไม่ท่วนไม่รู้สายไหนตัวสายไหนขนาดพม่าเนี่ก็มีธรรมดาสายไหนตัวสายไหนอีกตั้งที่เบตทั้งเกาหลีไต้หวันญี่ปุน่นเขมรลาวเวียดนามาไทยแลนด์อีก ไม่รู้กี่สายเขาก็เลยยุ่งไปหมดเลยแต่หลวงพ่อไปก็ไปสอนอีกสายหนึองอีกมั่นกันสายหลวงปู่มั่นเนี่แหละอันนี้คือสำนักของเราเนี่ยเป็นแนวแถวปฏิบัติสายแบบสายหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรท่านสอนให้หลวงพ่อเพรท่านบอกว่าก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมก่อนที่เราจะตอนเย็นเนี่แหละ เราจะไหวเราจะพักผ่อนเราจะนอนหรือว่าเราจะปฏิบัติธรรมให้ไหวพระสก่อนอย่างพวกเราไหวเมื่อกี้นะ่ะแต่ไม่ไหวยาวขนาดนี้นหรอกไหวชั้สั้นก็ไดนะ้อราหังสวาคโตสุปฏิปันโนนโมตัสสะภะคะวะโตเพียงแค่นี้ก็พอนะแล้วก็แผ่เมตตานโมตัสสะภะคะวะโตนั้นคืออะไรความแปลและความหมายค้าบพเจ้าขอนอบน้อมเดชพระภูมีพระภาค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 จากนั้นเราก็นั่งขัดสมาธิหรือนั่งเก้าอีก้ก็ได้ตามใี่จริงท่านให้นั่งขัดสมาธิน่ะมันร่างกายมันจะได้ตรงขาขวาทับขาซ้ายเรานั่งขัดสมาธิในห้องแอร์หรห้องที่ไม่มีไม่มีคนพุกผ่านวุ่นวายอยู่ในสถานที่สงบวิทยุโทรทัศน์ปิดหมดโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ก็ปิดอีกเหมือนกัน เเราต้องบอกให้ทําความเข้าใจเออที่เราปิดโทรศัพท์นะอในขณะที่เรานั่งภาวนามันจะไม่วิตกมันจะไม่กงังวลถ้าว่าเราเปิดโทรศัพท์ไว้เนี่ยแนละราคอยโทรศัพท์จิตของเราเมจะหาความสงบไม่ได้เพราะมันวิตกกังวลในเรื่องวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์อยูนะ่เพราะฉนั้นเราต้องปิดไว้มดทุกอย่างเลยเวลาเราจะนั่งภาวนานะพอปิดโทรศัพท์เสร็จแล้วคนนั้นะ นั่งขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วประนมมือขึ้นระหว่างหกซะก่อนพิธีการภาวนาอนะัสตายาโยมนะทุกทานนะเราไม่ต้องยกคู่ยกขายไม่มีขันห้าขันแปดอะไรหรอกมีแต่ว่ายพระอาหาังอาหารอาหารังสวาคาโตสุปฏิปโนโนโมตสะจบแล้วก็แผ่เมตตานั้นก็กราบสามครั้งพุทโธรมโมสังโฆ นิพพานังขับไปเจ้ากาพระพุธเจ้าพระธรรมมิสูงเพื่อพระนิพพานจากนั้นก่อนั่งขัดสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วป น, นมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนคือการนั่งภาวนาไม่ใช่ความไม่ใช่ผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นผู้แนะนําเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉนั้นก่อนที่เราจะนั่งภาวนาเราจึงนบน อ, บอกกาบครู ไหว้ครูซะ ก, ก่อนคือไหว้พระพุทธเจา้าซะก่อนพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงเอามือลงเอามือขวาทับมือซ้ายเหมือนกับพระประธานนั่งน่งจากนั้นกับวารกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ น, นี่คือ กรรมฐานของหลวงปู่มั่นพ่อแม่ภูบาจานสายนี้ท่านแนะนำสั่งสอนทางว่าบริกรรมทาว่ากําหนดลมหายใจเข้าออกธรรมดาหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรัวาหายใจออกมันหลงมันลืมมันหลงเงื่อนได้ง่ายหลงสนได้ง่ายลืมได้ง่ายท่านให้สำทับด้วยพุทธโธด้วยหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทธ ถ้ามันยังเผลออยู่ให้พุทโธให้ถีเย็บพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสำทับตรงที่ใจของเราคิดตรงที่มันคิดเอาเข้าจุดนั้นเลยไม่ให้มันเผลอไปที่อื่นอันนี้พุทโธพุทโธแต่อัตมาเองหลวงพ่อเองก็แนะนําอีกส่วนหนึ่งว่าให้หลวงพ่อว่าให้นับนะทดลองนับนะพี่น้องลูกหลานศรัทธาญาติโยมทามันจิตใจมันทะเลทลายมันออกมันยังไม่อยู่มันออกเวลาไหนวะ ให้ภาวานากำหนดลมหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่ห้าหกเจ็ดจนถึงร้อยนะถ้าถึงร้อยไม่เผลอนะก็นับหนึ่งใหม่อีกกลับมานับหนึ่งถ้ามันเผล่มันเผลอช่วงไหนมันเผล่อย่างไรวิธีมันเผลอเผลอเคยใครว่าหายใจเข้าหนึง่งหายใจออกสองหายใจเข้ามันเป็นเลขขี้หนะึ่ง หายใจออกเป็นเลขคู่สองหายใจเข้าเป็นเลขขี้สามหายใจออกเป็นเลขคู่สี่แต่พอมันจะเผลอมันจะเบอร์เบอร์นะพอเบอร์เสร็จแล้วหายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่หายใจออกมันจะเป็นเลขขี้นะมันสลับกันแต่ว่าใช้ไม่ได้ละเผลอละนะกลับมานับหนึ่งใหม่อีกอย่าไปนับต่อให้นับมากับนับหนึ่งใหม่ ถ้ามันนับไม่เผลอน่ะนับถึงร้อยนะ่ะตั้งจติตให้เข้มแข็งขึ้นอีกบังคับจิตให้เข้มแข็งขึ้นอีกอจนนับถึงร้อยนั่นแหละแต่ถ้านับไปเรืเลยก็เผลอนับไปเรื่อยๆก็เผลอน่ะจะรอดใช้ไม่ได้แล้วนะเราใช้ไม่ได้ทสติของเราใช้ไม่ไดนะ้อันดับแรกมันจะเป็นอัลไซเมอร์ก่อนนะเผลอๆเบอร์เบอร์อะไรแต่ต่อไปจะเป็นบ้าบ้าบองบ้องไปเลยทนะีนี้เพราะอะไรเพราะมันขาดสตินะ่ะ ถ้าคนที่มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองนะ่อแปลว่าจะเป็นบ้าบ้องได้ยังไงเป็นคนมีสตินะแต่ถ้าว่าเราขาดสตินับไม่ถึงสิบยี่สิบมันเผลอเอาเผลอเอาเนะ่ะอย่าไปชลาใจนะต้องพยายามฝึกหัดจิตเพึ่ง ฝ, ฝ, ฝ, ฝึกสติให้เข้มแข็งขึ้นอีกนะวิธีการฝึกพอใ น, ะนสุดถ้าเรานับถึงร้อยได้เลยนะ นับชักสองสามสี่ห้าครั้งสิบครั้งจากนั้นยังค่อยมาบริกรรมพุทโธต่อหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธมันจะอยู่นะท่เนี่ยมันจะไม่เผลินะศรัทธาญาติโยมนะให้ทดลองฝึกดูนี่วิธีการวิธีการฝึกสมาธินะเนี่ยเนี่ยให้พวกเราฝึกเพียงแค่นี้ก็ได้จิตสงบได้เพียงแค่นี้ก็นับว่า เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเรามากทีเดียวเลยล่ะนะฉะนั่นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอ่าพิธีการปฏิบัติกับจิตตภาวนาเราอยู่ตามลาพังเราก็ปฏิบัติได้เราอยู่ในบ้านของเราเราก็ปฏิบัติได้ต่ออให้ใส่ใจสนใจท่านนะนะเราหาหมุมสงบปีกตัวส 20, 30, 30ักย0่สนาทีหรือหนึ่งชัวง่วโมงเราปรีกตัวเพื่อหาความสงบเพื่อภาวนา นี่แถ้าเราหาโอกาสหาเวลาได้ล้วก็ภาวนาได้ไม่ใช่ว่าเราจะจุ่งเยิงทั้งปีทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีจนไม่มีเวลาจะเลยฮมันก็ไม่ได้นะ เ, เวลาทําอย่างอื่นทั้งทําได้เวลาเราจะทําประกอบคุณงามความดีเราจะสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจไม่มีเวลาแสดงว่าเราใช้เวลาให้แม่เกิดประโยชน์ต่อคุณงามความดีใช้เวลา ให้ไปทางอื่นมากเกินไปจะแล้วนะเพราะนั้นพวเรานะให้ฝึกประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่าบุญกุศลในเครื่องจิตตภาวนาเนี่ยนะเป็นกุศลอันสูงส่งที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานได้ไปสู่พรหมไดนะ้ต้องภาวนาเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเรื่องจิตตภาวนาแต่ให้ทานนะหลวงพ่อไม่แนะนําหรอกพวกเรา ชำนิชานานเก่งอยู่แล้วะเรื่องให้ทานรักษาศีลเออขยะขยะขยะขยะเรื่องรักษาศีลไม่ค่อยเจ็จนสู้เท่าไหร่แต่เรื่องภาวนาเนะี่ยยิ่งไม่เอาใหญ่และมันเป็นเรื่องของพระนะไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องของพวกเราทุกๆกคนนะเรื่องจิตตภาวนาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราภาวนาอย่างที่หลวงพอ่อหลวงพ่อได้พูดได้กล่าววันนี้เป็นหลวงพ่อจะขอแนะนําไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าตอนนี้ไป ให้กูบาเปิด m p สาแสดงธรรมเทศนาของหลวงพ่อที่อบรมมาก่อนหน้านี้ให้ฟังดูซินะตอนนี้ไปนั่งสมาธินัน่นนองนะพวกเราทุกๆุกท่านการที่นั่งฟังเทศน์นะก็ไม่ต้องสงจิตไปหาเสียงที่ท่านเทศล็อกกำหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโทนพดโทพดโ ท, ดโทนะเดี๋ยวเสียงมันเข้าหูเอง เราเพียงแต่รู้รู้รู้ว่าเสียงเทศวันนี้ทันเทศเรื่องอะไรเท่านั้นเองไม่ต้องจำให้ภาวนาให้ดูใจของตัวเองเนะี่ยพิธีการฟังเทศนะอันนี้เป็นว่าประนวดฟังธรรมฟังธรรมให้จิตใจให้มีสติอยู่กับตนเองไม่ให้สูงจิตไปข้างนอกในหะ้ทดลองดูสินะวันนี้พวกเราอยู่ในที่ ส, สถานที่สงบสงัดไม่มีเสียงอะไรทั้งหมด ได้ยินแต่เสียงจริงหลีดมันร้องนะมันหลอกไม่รู้ภาษามันออกจะไปใส่ใจกับมันเสียงอย่างอื่นนะให้พวกเราดูใจของตัวเองนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธธนานวันนี้นะเอานั่ง